สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิจพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตามตอนที่สามร้อยสี่สิบแปดนะครับซึ่งพระเจ้าของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่แปดข้อที่สี่สิบแปดจนถึงข้อที่ห้าสิบเก้าพระธรรมยอห์นบทที่แปดข้อสี่สิบแปดจนถึงข้อที่ห้าสิบเก้า หัวข้อในวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่ว่าเราดำรงอยู่ก่อนอับราห์มเกิดโปรดฟังข้อชนะของพระเจ้าพวกยิวทูลตอบพระองค์ว่าที่เราพูดว่าท่านเป็นชาวสมาเรียและมีผีสิงนั้นไม่จริงหรือพระเยซูตรัสตอบว่าเราไม่มีผีสิงแต่เราถวายพระเกียรติแด่พระบิดาของเราและท่าน ลบอยู่เกียรติเราเราไม่ได้สแสวงหาเกียรติของเราเองแต่มีผู้หาให้และพระองค์นั้นจะทรงพิพากษาเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดประพฤติตามคําของเราผู้นั้นจะไม่ประสบความตายเลยพวกยิวทูลพระองค์ว่าเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าท่านมีผีสิงอับรามก็ตายไปแล้วและพวกผู้เผยพ่อจะนะก็ตายไปแล้วเช่นเดียวกันและท่านพูดว่า ถ้าผู้ใดประพฤติตามคำของเราผู้นั้นจะไม่ชิมความตายเลยท่านเป็นใหญ่กว่าอับราฮัมบิดาของเราที่ตายไปแล้วหรือพวกผู้เผยพระเจนะก็ตายไปแล้วด้วยท่านอวดอ้างว่าท่านเป็นผู้ใดเล่าพระเยซูตรัสตอบว่าถ้าเราให้เกียรติแก่ตัวเราเองเกียรติของเราก็ไม่มีความหมายพระองค์ผู้ทรงให้เกียรติแก่เรานั้นคือพระบิดาของเราผู้ซึ่งพวกท่านกล่าวว่าเป็นพระเจ้าของพวกท่าน ท่านไม่รู้จักพระองค์แต่เรารู้จักพระองค์ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่รู้จักพระองค์เราก็จะเป็นคนมุสาเหมือนกับท่านแต่เรารู้จักพระองค์และประพฤติตามพระดารัสของพระองค์อับราฮัมบิดาของท่านชื่นชมยินดีที่จะได้เห็นวันของเราและท่านก็ได้เห็นแล้วและมีความยินดีพวกยิวก็ทูลพระองค์ว่าท่านอายุยังไม่ถึงห้าสิบปีและท่านเคยเห็นอับราฮัมหรือ พระเยซูตรักับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราดำรงอยู่ก่อนอับราฮัมเกิดคนเหล่านั้นจึงหยิบก้อนหินขึ้นจากขว้างพระองค์แต่พระเยซูทรงหลบและเสด็จออกไปจากพระวิหารพี่น้องครับในวันนี้มีอยู่ห้าประเด็นด้วยกันจากพระวจนะพระเจ้าตอนนี้พระวจนะพระเจ้าตอนนี้ในพระคัมภีร์นั้นได้บันทึกว่าเป็นหัวข้อ ตัวอักษรเน้นสีดําว่าเราดํารงอยู่ก่อนอับราฮัมเกิดอันนี้คือไฮไลท์ซึ่งเป็นพระดํารัสหรือคําตรัสของพระเยซูว่าพราะองค์เป็นใครที่นั่นครับประเด็นแรกคนยิวนั้นกล่าวหาพระเยซูผิดๆครับผิดอย่างแรกก็คือเขากล่าวหาว่าพระเยซูเป็นชาวสมาเรียชาวสมาเรียนั้นมักจะเป็นแพ้ครับของคนยิวเพราะว่าอะไรที่ อะไรที่ไม่ดีนะครับผิดจากหลักคําสอนหลักทำบัญญัติพิจากกฎหมายของโมเสสก็โทษไปที่ชาวสมาเรียและคํากล่าวหาต่อไปว่าพระเยซูมีผีสิงพระเยซูตัดชัดเจนครับว่าเราไม่มีผีสิงแต่เราถวายพะเกียรติแด่พระบิดาของเราพี่น้องครับประเด็นแรกที่ผมอยากจะนํามาเพื่อที่จะ แบ่งปันให้กับพี่น้องทุกท่านในข้าววันนี้ก็คือคําว่าผีสิงครับคําถามมักจะถูกถามเสมอว่าคริสเตียนผีสิงได้ไหมคําตอบชัดเจนครับคริสเตียนนั้นผีสิงไม่ได้ผีสิงไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราคริสเตียนที่บังเกิดใหม่คริสเตียนนะครับที่บังเกิดใหม่ ความจริงแล้วไม่มีคริสเตียนใดที่ไม่บังเกิดใหม่ครับมีแต่คนที่เป็นคริสเตียนไม่แท้หลืคริสเตียนปลอมเท่านั้นที่แฝงตัวหรือคิดเป็องว่าเราเป็นคริสเตียนแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นคริสเตียนแท้ก็คือลูกของพระเจ้าทั้งสิน้นและคริสเตียนแท้นี้ก็จะบังเกิดใหม่ครับคนที่บังเกิดใหม่นั้นทําไมผีไม่สิงหรือผีสิงไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเขาแล้ว พี่น้องที่เคยเรียนหลักข้อเชื่อหลักคำสอนเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเข้าใจเรื่องนี้ดีพราอเลยครับเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อผู้ที่บังเกิดใหม่นะครับพระวิญญาณจะไม่ออกไปเลยเพราะฉะนั้นในบ้านหลังหนึ่งก็จะมีเจ้าของแค่คนเดียวครับมีเจ้าของสองคนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเป็นเจ้าของตัวของเราเพราะฉะนั้นผี สิ่งไม่ได้ครับนี่เป็นคําตอบแรกในประเด็นแรกและคนที่เป็นของพระเยซูนั้นเขาจะต้องถวายเกียรติกับพระเจ้าครับเขาจะต้องถวายเกียรติพระเจ้าเขายังบอกว่าองค์พระเยซูคริสต์เป็นองค์พระบุพปเปนเจ้าเป็นพระเจ้านี่แหละครับคือสิ่งที่พิสูจน์ว่านี่คือมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่สองประเด็นที่สองครับในข้อที่ห้าสิบเอ็ดพระเยซูตรตัสดังนี้ว่า เราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดประพฤติตามคำของเราผู้นั้นจะไม่ประสบความตายเลยพี่เยซูหมายความว่าไงครับเมื่อทรงตัดคำนี้พระองค์ทรงหมายความว่าผู้ที่เชื่อไว้วางใจในพระองค์จะไม่มีวันถูกตัดขาดจากพระเจ้าเลยนะครับชาวยิวอาจจะคิดไปเหมือนกับพวกเราบางคนคิดว่าพระเยซูน่าจะหมายความว่าพวกเขาจะไม่ตายฝ่ายร่างกายพี่น้องครับไม่ใช่ครับ ผู้ที่เชื่อในพระองค์จะไม่วันถูกตัดขาดจากพระเจ้าที่ความหมายนี้ฉะนั้นพวกเขาเตือนความจําพระองค์ครับต่อไปบอกว่าอับราฮัมและผู้เผยพระชนะก็ตายหมดแล้วพระเยซูจะมาตู่เอานะว่าพระองค์จะเป็นใหญ่กว่าคนเหล่านั้นหรือพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พวกเขาพยายามที่จะ discredit พระเยซูนะครับพวกเขารู้ครับว่าอับราฮัมก็ตายไปแล้วผู้เผยพะชนก็ตายหมดแล้วนะครับ ทำไมท่านถึงบอกว่าผู้ใดที่ประพฤติตามคำของเราก็จะไม่ชิมความตายเลยนั่นหมายความว่าจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจครับคนที่เชื่อในพระเยซูคนที่เชื่อที่แสดงออกด้วยการประพึ่งนะครับนี่คือประเด็นที่สองใครก็ตามนะครับที่ประพฤติตามคำของพระองค์เชื่อในคำของพระองค์ประพฤติตามคำองค์จะรักษาความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจ นี่คือประเด็นที่สองครับชีวิตเราไปอย่างนั้นไหมครับเราเชื่อพระเยซูเราทำตามหรือเปล่าถ้าไม่ทำตามมีข้อสงสัยครับว่าจริงๆแล้วเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์จริงหรือเปล่าประการที่สามประเด็นที่สามครับอยู่ในข้อที่ห้าิบสี่พระเยซูตรัสตอบว่าถ้าเราให้เกียรติแก่ตัวเราเองเกียรติของเราก็ไม่มีความหมายพระองค์ผู้ทรงให้เกียรติแก่เรานั้นคือพระบิดาของเรา ผู้ซึ่งพวกท่านกล่าวว่าเป็นพระเจ้าของพวกท่านทีน้องครับประเด็นที่สามนี้ก็คือว่าเกียรติครับจะต้องคนอื่นให้เรานะครับเกียรติจะต้องคนอื่นให้เราอย่าไปสแสวงหาเกียรติสแสวงหาศักดิ์ศรีสแสวงหาตําแหน่งนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อถึงเวลาพระเจ้าให้เกียรติเราเมือ่อถึงเวลาพระเจ้าให้ศักดิ์ศรีเราเมื่อถึงเวลาพระเจ้าให้ตําแหน่งเรานั่นแหละครับเป็นสิ่งที่มีความหมายที่สุด พี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าพระเยซูตรตัสว่าถ้าเราให้เกียรติแก่ตัวเราเองเกียรติของเราก็ไม่มีประโยชน์เกียรติของเราก็ไม่มีความหมายพระเยซูพูดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นคําเตือนสติหลายหลาคนอยากได้เกียรติอยากได้หน้าอยากได้ตําแหน่งสูงๆูแต่ต้องมาจากพระเจ้าก่อนครับประเด็นที่สี่ครับประเด็นที่สี่ในข้อที่ห้าสิบห้า พระเยซูตรัสว่าถา้าเรากล่าวว่าเราไม่รู้จักพระเจ้าพระบิดาเราก็จะเป็นคนมูษาเหมือนกับท่านแต่เรารู้จักพระองค์และประพฤติตามพระดำรัสของพระองค์พระเยซูกําลังบอกกับเราว่าพระองค์เป็นตัวอย่างของเราในการประพฤติตามเพราะเหตุที่พระเยซูรู้จักกับพระบิดาพระบิดาใช้พระเยซูมาพระงคประพฤติตามพระดารัสของพระองค์ทีนีครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สาคัญครับ เพราะถ้าหากว่าเราอยากจะให้พระเจ้านะครับมีความชื่นชมยินดีเราต้องประพฤติตามพระดํารัสของพระเยซูครับการที่เราอ้างบอกว่าเรารู้จักพระเยซูแต่เราไม่ประพฤติตามเลยเราก็เป็นคนที่พูดมุสาประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่ห้าพระเยซูตัดกับพวกเขาในข้อที่ห้าสิบแปดว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่า เราดำรงอยู่ก่อนอับราฮัมเกิดพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้คำสัตย์ของพระเยซูตอนนี้ทําให้คนเหล่านั้นที่เป็นพวกฟอริสีพวกธรรมจารทั้งหลายเนี่ยหยิบก้อนหนินขึ้นมาคว้างพระเยซูเพราะอะไรครับเพราะถือว่าเป็นการหมิ่นพระบรมรดชานุภาพของพระเจ้าครับเพราะว่าพระเยซูกําลังเอาตัวเองนะครับอยู่เหนืออับราฮัมพี่น้องครับแท้จริงแล้วพระเยซูอยู่เหนืออับราฮัมครับเพราะจากคำสัตย์ของพระเยซูว่าเราดำรงอยูอ่ก่อนอับราฮัมเกิด นั่นหมายความว่าพระเยซูทรงเป็นอยู่นะครับพระเยซูทรงเป็นอยู่ในภาษากรีกนั้นคําว่าเราดํารงอยู่นะครับก็ใช้คําว่า I am ซึ่งเป็นคําที่โมเสศขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าบนภูเขาซีนพระเจ้าตรัส ก, กับโมเสศเหมือนกันคําว่า I am นะครับพระเยซูทรงดํารงอยู่พระเยซูทรงดํารงอยู่ก่อนอับประคมเกิดครับนี่นะครับจากตรงนี้นะครับ เรามีเก็ตเล็กเกตน้อยที่จะมาฝากพี่น้องในข้อที่ห้าสิบหกนะครับพี่เยซูตรัสแบบว่าอัปประทมบิดาของท่านชื่นชมินดีที่จะได้เห็นวันของเราและท่านก็ได้เห็นแล้วและมีความยินดีเพียงครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้นะครับเป็นศูนย์กลางแห่งเหตุการณ์ทั้งหลายในจักรวาล น, นี้และเป็นที่รอคอยของบรรดาคนที่จากไปก่อนหน้านี้ อับราฮัมก็ดีนะครับอิสอักก็ดียาโคบก็ดีโยเซฟก็ดีโมเสกก็ดีดาวิดก็ดีพี่น้องครับผู้คนเหล่านี้เขารอคอยพระเมสสิยาห์ครับและเขารอคอยพระเยซูพระเมสสิยาห์จนเขาตายไปพระเมสสิยาห์ยังไม่มาเขารอคอยพระเยซูเขารอคอยพระเมสสิยาห์จนเขาตายไปพระเยซูยังไม่มา แต่เขามีความชื่นชมินดีครับแล้วเขารอคอยวันนี้นะครับพระเยซูก็เปิดให้เรารู้นะครับว่าพวกเขาได้เห็นวันนี้ถามว่าเขาอยู่บนที่ไหนครับอยู่บนสวรรค์ครับเขาเห็นเหตุการณ์ในโลกใช่ไหครับพี่น้องนี่คือคำสอนเล็กๆนะครับที่ทำให้เรารู้ว่าเป็นไปได้มากทีเดียวครับที่คนที่อยู่บนสวรรค์เขาจะได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่พระเยซูไดจเข้ามาในโลก และพระเยซูทรงสิ้นพระชนทําให้แผนการการช่วยให้รอดของจักรวาลนี้ของพระเจ้าที่เป็นแผนการลึกลับได้เปิดเผยออกมาทำให้พวกเขามีความชื่นชมยินดีขอพระเจ้าช่วยเรานะครับพอพระเยซูพูดถึงว่าเราดำรงอยู่ก่อนอับราฮัมเกิดพี่น้องครับอับราฮัมได้เห็นและเป็นความชื่นชมดีเหมือนกับพวกเราครับก็คือเขาชื่นชมดีอย่างไร เราควรจะชื่นชมินดีอย่างนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีความชื่นชมินดีตลอดทั้งวันนี้อาเมน